วิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปในบทว่าวิญญาณปัจจยานามรูปังบัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยโดยวิภาคแห่งนามรูปทั้งหลายโดยความเป็นไปแห่งนามรูปในแหล่งทั้งหลายมีพบเป็นต้นโดยสงเคราะห์คือย่อเข้าโดยปัจจยในวินิจฉัยโดยวิภาค ก็ในข้อว่าโดยวิภาคแห่งนามรูปทั้งหลายนั้นมีวินิจฉัยว่าขันสามมีเวทนาเป็นต้นชื่อว่านามเราะน้อมไปมุ่งหน้าต่ออารมณ์มหาพูดสี่และอุปาถยารูปคือรูปอาศัยแห่งมหาพูดสี่ชื่อว่ารูปวิภาคคือประเภทแห่งนามรูปทั้งหลายนั้น ได้กล่าวไว้ในขันธ์นิเทศแล้วแลวินิจฉัยในบทว่าวิญญาณปัจจญานามรูปปังนั้นโดยวิภากแห่งนามรูปทั้งหลายพึงทราบดังกล่าวมาชะนี้เป็นอันดับแรกวินิจฉัยโดยความเป็นไปส่วนในข้อว่าโดยความเป็นไปแห่งนามรูปในแหล่งทั้งหลายมีพบเป็นต้นนี้ มีวินิจฉัยว่านามย่อมเป็นไปในพบกาเนิดคติวิญญาณทิติทั้งปวงและในสัตตาวาที่เหลือเว้นสัตตาวาทหนึ่งคืออสัญญาสัตตาวาทรูปย่อมเป็นไปในพบสองกาเนิดสี่ในกติห้าในวิญญาณทิติสี่ข้างต้นในสัตตาวาทห้าข้างต้นรวมอสัญญาสัตตาวาท ด, ด้วย ก็แหลเมื่อนามรูปนั่นเป็นไปอยู่อย่างนั้นเหตุที่ในปฏิสนธิขณะแห่งเหล่าสัตว์ขับเสชิยกะกําำเนิดที่ยังไม่แสดงภาวะคือเพศและแห่งเหล่าสัตว์อันทชะกำเนิดที่ยังไม่แสดงภาว ะ, ะ, า ส, ะ, ส, าวะสัน ต, ติศีสะคือรูปกลาปะซึ่งเป็นต้นเป็นมูลแห่งการสืบต่อสองโดยเป็นรูปด้วยอานาจแห่งวัตถุทัศกะ หมวดรูปสิบทั้งหไทยและกายทัศกะหมวดรูปสิบทั้งกายประสาส์กับอรูปประขันสามย่อมเกิดปรากฏขึ้นเหตุนั้นโดยกระจายรูปเหล่านั้นออกไปก็ธรรมะยี่สิบสามคือรูปประธรรมยี่สิบโดยเป็นรูปรูปคือรูปที่สำเร็จแล้วกับอรูปประขันสามนั่นแหละบัณฑิตพึงทราบว่า ชื่อว่านามรูปเกิดมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณแต่โดยถือเอาแต่รูปที่ยังไม่ได้ถือคือถือเอาแต่ที่ไม่ซ้ำกันชักรูปธรรมเก้า 9, จากสันตติศีสะหนึ่งออกเสียก็เหลือสิบสี่เพิ่มภาวะทศกะหมวดรูปสิบทั้งภาวะสำหรับสัตว์ที่มีภาวะแล้วเข้าก็เป็นสามสิบสามโดยถือเอา แต่ที่ยังไม่ถือเอาชักรูปธรรมส8บปดจากสันตติเสสะสองหมวดออกเสีย อ, อีกก็เหลือสิบห้าชื่อว่าวิญญาณปัจญานามรูปังสำหรับสัตว์สองกำเนิดนั้นส่วนในเหล่าสัตว์อบปฏิกะกำเนิดเหตุที่ในปฏิสนธิขณะแห่งรูปพรหมมีจำพวกพรห ม, มกายิกาเป็นต้น สันตติสีสะสีโดยเป็นรูปด้วยอำนาจแห่งจกักขุทสกะโสตทัศกะวัตถุทัศกะและชีวิตินรีนวกกะกับอรูปประคันสามย่อมปรากฏเหตุนั้นโดยกระจายรูปของรูปประโภมเหล่านั้นออกไปก็ธรรมะสีสิบสองคือรูปปธรรม39โดยเป็นรูปรูป กับเอารูปรขันสามนั่นบัณฑิตพึงทราบว่าชื่อว่านามรูปอันมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณแต่โดยถือเอาที่ยังไม่ได้ถือเอาชักรูปรธรรมยีสิบเจ็ดที่ซ้ำกันจากสันตติศีสะสามหมวดออกเสียก็เหลือสิบห้าส่วนในการมาพบเหตุที่ในปฏิสนธิขณะแห่งเหล่าสัตว์อบปฏิกะ กำเนิดที่เหลือก็ดีแห่งหล่อสัตว์สังเสรฐชะกำเนิดก็ดีที่มีภาวะและมีอายตนะครบสันตติศีรษะเจ็โดยเป็นรูปและอารูปประคันสามยอมปรากฏเหตุนั้นโดยกระจายรูปเหล่านั้นออกไปก็ธรรมะเจบสาคือรูปธรรมเจดสโดยเป็นรูปรูปกับอารูปประคันสามนั่นบัณฑิตพึงทราบว่า ชื่อว่านามรูปอันมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณแต่โดยถือเอาเฉพาะที่ยังไม่ได้ถือเอาชักรูปธรรมห้าสิบสีที่ซ้ำกันจากรูปสันตติศีสะหกหมวดออกเสียก็เหลือส9มีเป็นการนับอย่างสูงโซอนอย่างต่าการนับนามรูปอันมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณในปฏิสนธิแห่งหลอสัตว์ผู้มีรูปสันตติศีสะนั้ น, น, น วิกลคือบกพร้องก็พึงทราบโดยลดหย่อนลงบ้างขยายออกบ้างตามเกณฑ์แห่งสันตติศีสะนั้นๆเถิดส่วนในปฏิสนธิแห่งอรูปประพรมทั้งหลายก็ปรากฏแต่อรูปประคันสามไม่มีรูปในปฏิสนธิแห่งลอสัตว์อสัญยีพรมปรากฏแต่ชีวิตตินณีนวกะเป็นรูปเท่านั้นแหล นี่เป็นนัยยะในปฏิสนธิก่อนส่วนในประวัติการสุททัศนกรูปกลุ่มรูปแปดล้วนคืออวินิโผลเข้ารูปอันมีฤดูเป็นสมุดฐานโดยฤดูคือเตโชธาตที่เป็นไปพร้อมกับปฏิสนธิจิตย่อมปรากฏขึ้นในทิฏฐิขณะแห่งปฏิสนธิจิตในทุกแหล่งที่เป็นไปแห่งรูปแต่ตัวปฏิสนธิจิต หาอย่างรูปให้ตั้งขึ้นได้ไม่แท้จริงปฏิสนธิจิตนั้นไม่อาจอย่างรูปให้ตั้งขึ้นได้เพราะเป็นจิตมีกำลังน้อยเหตุที่หัยวัตถุเพิ่งเกิดยังมีกำลังอ่อนเปรียบเหมือนคนตกเหวไม่สามารถเป็นที่อาศัยแห่งคนอื่นได้ฉนั้นจำเดิมแต่พวังคจิตดวงแรกต่อแต่ปฏิสนธิจิตไป สุทธะกะรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานจึงปรากฏขึ้นถึงการที่เสียงปรากฏคือถึงคราวจะเกิดเสียงได้สัทธนวกะกลุ่มรูปก้าทั้งเสียงจึงปรากฏขึ้นแต่ฤดูอันเป็นไปต่อแต่ปฏิสนธิขณะนั่นแหลและแต่จิตด้วยส่วนสัตว์เหล่าใด เป็นขับพระไส ย, ยากะสตว์อาศัยกาวลิงการาหารเป็นอยู่สุดทัศนกะรูปอันมีอาหารเป็นสมุทฐานย่อมปรากฏในสรีระของสัตว์เหล่านั้นซึ่งอาหารที่มานดากลืนกินลงไปซึมซาบเข้าไปตามพระบาลีว่าก็สัตว์ผู้กำบังตัวอยู่ในท้องของมานดามานดาของเขาบริโภคโภชนะอันใด เป็นข้าวก็ดีน้ำก็ดีลงไปเขายัางชีพให้เป็นไปในท้องมารดานั้นด้วยโภชนะนั้นดังนี้สำหรับอบปฏิกาสัตว์ทั้งหลายสุดทัตกะรูปอันมีอาหารเป็นสมุทฐานย่อมปรากฏในการที่กลืนเคละคือน้ำลายที่อยู่ในปากของตนลงไปเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นโดยรวมกันเข้า ธรรมะเก้าคือรูปเก้าสิบหอย่างได้แก่รูปยี่สิบหด้วยอำนาจแห่งสุดทัตกะรูปมีอาหารเป็นสมุดฐานแปดและแห่งนวกะรูปสองอย่างสูงอันมีฤดูและจิตเป็นสมุดฐานส8แปดและรูปเจ็ดสิบอย่างที่มีกรรมเป็นสมุดฐานอันเกิดขึ้นสามวาระในขณะจิตหนึ่งหนึ่งซึ่งกล่าวมาก่อนแล้วกับอรูปะคันสาม รวมเป็น99หรือว่าเหตุที่เสียงเป็นสิ่งไม่แน่นอนเพราะปรากฏในบางคราวเท่านั้นเหตุนั้นชักเสียงทั้งสองอย่างคือที่เป็นอุตตุมุฏฐานและจิตตะสมุฏฐานนั่นออกเสียธรรมะจำนวนนี้ก็เป็นเกสิบเจดบัณฑิตพึงทราบว่าชื่อว่านามรูปะคือนามรูป มันมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณแห่งสัตว์ทั้งปวงตามที่มันเป็นโดยว่าเมื่อสัตว์ทั้งปวงนั้นแม้หลับไปแม้มัวเมาแม้กินอยู่แม้ดื่มอยู่ธรรมะอันมีวิญญาณเป็นปัจจัยเหล่านั้นก็คงเป็นไปทั้งกลางวันและกลางคืนก็แลความที่ธรรมะเหล่านั้นมีวิญญาณเป็นปัจจัยนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจักพนนาข้างหน้า ส่วนว่าในรูปเหล่านั้นกรรมชรูปรูปเกิดแต่กรรมมีกรรมเป็นสมุดฐานกรรมมชรูปนั้นใดกรรมชรูปนั้นแม้ตั้งขึ้นก่อนเพื่อนในภพกําเนิดคติวิญญาณทิฏฐิและสัตตาวาททั้งหลายแต่หากรูปสามสมุดฐานคือฤดูจิตอาหารไม่ช่วยอุปธรรมแล้วก็หาอาจตั้งอยู่ทนไม่ แม้รูปสามสมุดฐานเล่าหากกรรมเชรูปนั้นไม่อุปธรรมก็ไม่อาจตั้งอยู่ได้นานเหมือนกันที่แท้นั้นรูปทั้งสี่สมุดฐานนั้นต่างอุปธรรมกันและกันไว้นั่นแหลจึงไม่ตกไปเสียตั้งอยู่ได้ปีหนึ่งก็มีสองปีก็มีจนถึงร้อยปีก็มีเป็นไปตราบเท่าสิ้นอายุหรือสิ้นบุญแห่งสัตว์เหล่านั้น ดังกลุ่มไม้อ้อที่รากยึดไว้ทั้งสีทิศแม้ถูกลมตีก็ตั้งอยู่ได้และดังพวกคนเรือแตกที่ได้ที่พึ่งที่ไหนสักแห่งในมหาสมุทรแล้วแม้ถูกกำลังคลื่นตีก็ทรงตัวอยู่ได้ฉะนั้นแลการวินิจฉัยในบทวิญญาณปัจญานามะรูปังนี้โดยความเป็นไปในแหล่งทั้งหลายมีพบเป็นต้น บัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาชนี้ประการหนึ่งวินิจฉัยโดยสงเคราะห์ส่วนในข้อว่าโดยสงเคราะห์นั้นมีวินิจฉัยว่านามอันมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณอย่างเดียวทั้งในประวัติการและปฏิสนธิการในอรูปภพ และเฉพาะในประวัติการในปัญจโวการภพอันใดก็ดีรูปอันมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณอย่างเดียวในทุกการในพวกอสัญญสัตว์และเฉพาะในประวัติการในปัญจโวการภพอันใดก็ดีนามและรูปทั้งปวงนั้นบัณฑิตพึงสงเคราะห์เข้าโดยเอกเทเสรูปเปกะเสสนยัย นัยยะที่แสดงโดยการคงศัพท์ที่มีรูปเหมือนกันเพียงบางส่วนให้เหลือไว้เพียงศัพท์เดียวดังนี้ว่านามด้วยรูปด้วยทั้งนามและรูปด้วยชื่อว่านามรู ป, ปะหรือนามรูปแล้วพึงทราบเถิดว่านามรูปนั้นชื่อว่านามรูปอันมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณหากมีคําท้วงว่า คำวินิจฉัยนี้ไม่ชอบเพราะในพวกอสัญญศตร์ไม่มีวิญญาณดังนี้ไซคำแก้พึงมีว่าไม่ชอบหาไม่ได้เพราะเหตุดังต่อไปนี้คาถาสังเขววิญญาณที่เป็นเหตุแห่งนามรูปนี้ใดวิญญาณนั้นปราดทราบกันว่ามีสองส่วนคือวิปากวิญญาณ วิญญาณที่เป็นวิบากและอวิปากะวิญญาณวิญญาณที่ไม่ใช่วิบากเพราะเหตุที่วิญญาณมีสองส่วนดังนี้คำวินิจฉัยนี้จึงชอบแท้ขยายความจริงอยู่วิญญาณใดเป็นเหตุแห่งนามรูปวิญญาณนั้นปราศทราบกันว่ามีสองส่วนโดยแยกเป็นวิปากะวิญญาณ และอวิปากวิญญาณในพวกอสัญญาสัตว์ก็วิญญาณนี้เองเป็นรูปอันมีเพราะปัจจัยคืออภิสังขารวิญญาณที่เป็นไปในปัจจวาวากรพเพราะเป็นรูปที่มีกรรมเป็นสมุดฐานในประวัติการในปัจจาวารรพก็อย่างนั้นคือในขณะจิตมีกุศ ล, ลจิตเป็นต้น รูปก็มีกรรมเป็นสมุดฐานเช่นกันเพราะฉะนั้นคำวินิจฉัยนี้จึงชอบแล้ววินิจฉัยในบทว่าวิญญาณปัจจญานามะรูปปางนี้โดยสงเคราะห์เข้าบันดิตพึงทราบดังกล่าวมาชนี้ประการหนึ่งโดยปัจจญาไหน ส่วนในข้อว่าโดยปัจจัยในนั้นมีวินิจฉัยว่าวิปากะวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามก้าอย่างแห่งวัตถุรูปคือหัไทยก็9ก้าอย่างแห่งรูปที่เหลือ8ปดอย่างอภิสังขารวิญญาณเป็นปัจจัยแก่รูปอย่างเดียวส่วนวิญญาณนอกนั้นเป็นปัจจัยแก่นามรูปนั้นๆตามควร ขยายความจริงอยู่นามที่นับว่าเป็นวิบากในปฏิสนธิการหรือในประวัติการก็ดีนั้นใดวิปากะวิญญาณที่เป็นไปในปฏิสนธิการบ้างอื่นบ้างย่อมเป็นปัจจัยเก้าอย่างโดยเป็นสหาชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนิสยปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยวิปากะปัจจัย อาหารปัจจัยอินทริยปัจจัยอัตถิปัจจัยและอวิคตะปัจจัยแห่งนามนั้นอันผสมกับรูปหรือไม่ได้ผสมก็ตามเป็นปัจจัย9ก้าอย่างโดยเป็นสหชาตะอั ญ, ญมัญญะนิสยะวิปากะอาหาระอินทริยะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะปัจจัยแห่งวัตถุรูปในปฏิสนธิการ เป็นปัจจัยโดยปัจจัยในก้านี้ชักอัญญามัญญาปัจจัยออกเสียเหลือแปดแห่งรูปที่เหลือเว้นวัตถุรูปส่วนอภิสังขาวรวิญญาณเป็นปัจจัยอย่างเดียวโดยเป็นอุปปะนิสยปัจจัยเท่านั้นแห่งรูปอสัญญีสัตว์บ้างแห่งกรรมมัชรูปในปัญจโวการภพ บ, บ้างทั้งนี้โดยปริยายทางพระสูตร วิญญาณที่เหลือทั้งหมดนับแต่พวังดวงแรกพึงทราบว่าย่อมเป็นปัจจัยแก่นามรูปนั้นๆตามควรอันจะแสดงปัจจะยะในแห่งนามรูปนั้นโดยพิสดารก็จำต้องขยายปัจฐานนกถาทั้งหมดคือคำพีเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ริวิทารณในนั้น ในความที่วิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปนั้นหากมีคำถามว่าก็ข้อที่ว่านามรูปในปฏิสนธิย่อมมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณนั่นจะพึงทราบได้อย่างไรดังนี้พึงแก้ว่าทราบได้โดยพระสูตรและโดยยุติคือข้ออนุมานที่ชอบด้วยเหตุจริงอยู่ในพระสูตร ความที่นำมาทำทั้งหลายมีเวทนาเป็นต้นมีวิญญาณเป็นปัจจัยส่วนมากเป็นอันสำเร็จได้โดยในยะในพระสูตรเช่นว่าจิตตานุปริวติโนธรรมมาธรร ม, มาทั้งหลายย่อมหมุนเวียนไปตามจิตดังนี้เป็นอาทิก็ว่าโดยส่วนยุติคาถาสังเขป วิญญาณเป็นปัจจัยแก่รูปแม้ที่มองไม่เห็นย่อมสำเร็จได้โดยจิตตชรูปที่มองเห็นได้ในโลกนี้ขยายความความว่าโดยเนยะที่ว่าเมื่อจิตผ่องใสหรือไม่ผ่องใสรูปอันเป็นไปตามจิตนั้นเมื่อเกิดขึ้นเป็นรูปที่มองเห็นได้หละการอนุมานถึงรูปที่มองไม่เห็น ก็มีได้โดยรูปที่มองเห็นดังนี้ข้อว่าวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิรูปที่แม้มองไม่เห็นนั่นจึงทราบได้โดยจิตตัชรูปที่มองเห็นได้ในโลกนี้จริงอยู่ความที่แม้รูปที่มีกรรมเป็นสมุดฐานก็มีวิญญาณเป็นปัจจัยได้ดังรูปที่มีจิตเป็นสมุดฐานมาในคำพีปัจฐานแล วินิจฉัยในบทว่าวิญญาณปัจญานามะรูปังนี้โดยปัจยะาในบันดิตพึงทราบดังกล่าวมาชนีประการหนึ่งแลนี่เป็นคะถาอย่างพิสดารในบทว่าวิญญาณปัจญานามะรูปัง